จเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตาการุณาใจบุญใจกุศล ท, ทุกทุกนวันนี้เป็นวันเสาร์ที่16มีนาคมพุทธศักราช5 5 6เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาทำบุญให้ทางมารักษาศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นการพัฒนาชีวิตจิตใจให้มีความสุขมีความเจริญมากขึ้นไปเพราะความสุขความเจริญของชีวิตนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ ใครนั้นขึ้นอยู่กับการกระทำของเราถ้าเราคิดดีพูดดีทดําดีชีวิตของเราจิตใจของเราก็จะมีความสุขมากขึ้นมีความเจริญมากขึ้นถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีชีวิตของเราก็จะมีความทุกข์มากขึ้นมีความเสื่อมเสียมากขึ้น เพราะนี่คือหลักของเหตุผลเหตุกับผลนี้ย่อมเป็นสิ่งที่สอดคล้องกันเสมอไม่ใช่เป็นเรื่องของความอยากหรือเรื่องของอภินิหารอะไรต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากเหตุถ้ามีเหตุก็จะมีผลตามมาถ้าไม่มีเหตุ ก็จะไม่มีผลตามมาถ้าเราอยากได้ผลที่ดีคือความสุขความเจริญเราก็ต้องสร้างเหตุที่ดีเมื่อเราได้สร้างเหตุที่ดีแล้วผลก็จะเกิดตามมาเองไม่ว่าเราจะอยากให้เกิดหรือไม่อยากให้เกิดก็ตามความอยากให้อะไรเกิดนั้นไม่ได้เป็นเหตุที่จะทําให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้น สิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นได้ก็เกิดจากการกระทำของเราเพราะพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้สันโลกทั้งหลายให้เชื่อในกฎแห่งกรรมเพราะกรรมนี้คือเหตุที่จะทำให้สันโลกจเจริญหรือเสือ่อมสันโลกเป็นอะไรก็ขึ้นอยู่กับกัรคือการกระทำทางกาย ทางวาจาและทางใจของสัตว์โลกนั่นเองจึงมีคำพูดว่ากรรมเป็นเครื่องจำแนกแยกสัตว์ให้เป็นอะไรต่างๆกรรมเป็นผู้ทำให้มีพระพุทธเจ้ามีพระอรหันต์มีพระอริยเจ้ามีพรหมมีเทพมีมนุษย์มีเดราชานมีเปรตมีอสุรกาย มีนรกนี่คือผลที่เกิดจากกา ร, รคือการกระทาถ้าอยากจะได้ผลดีได้เป็นเทพเป็นพรหมได้เป็นพระอริยเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันต์ก็จะเป็นจะต้องคิดดีพูดดีทำดีก็คือต้องทําทานต้องรักษาศีล ต้องฟังเทศฟังธรรมต้องปฏิบัติธรรมแล้วผลที่ดีก็จะเป็นผลที่ตามมาถ้าอยากจะได้ผลที่ไม่ดีก็ให้ทำบาปให้เสพอบายยมุกตา่ตางๆเช่นเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนชั่วเป็นมิตรเสพสรารยามา มีความเกียดคร้านฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีโกงหกหลอกลกวงการกระทำเหล่านี้จะทำให้เกิดความเสื่อมตามมาเวลาตายไปก็จะได้ไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นสัตว์นรกบ้างเพราะนี่คือกฎแห่งกรรม จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามไม่เป็นตัวชี้บอกคือถ้าไม่เชื่อก็ไม่สามารถยับยั้งได้ถ้าเชื่อก็จะอาจจะช่วยยับยั้งได้เพราะเมื่อเชื่อก็จะได้ทำแต่ความดีไม่กล้าทำบาปความเชื่อไม่เชื่อก็มีส่วนที่จะทำให้เกิดผลแต่ไม่ได้เป็นตัวการที่แท้จริง ตัวการที่แท้จริงก็คือการกระทาแต่การเชื่อก็จะทำให้เกิดการกระทาที่ดีและการกระทาที่ไม่ดีเพราะเชื่อว่าทำดีได้ดีทำเชื่อได้เชื่อนั่นเองแต่สำหรับผู้ที่ไม่มีความเชื่อก็จะทำไปตามอารมณ์วันใดอารมณ์ดีก็ทาดี บันไดอารมณ์ไม่ดีก็จะทำไม่ดีผลก็เลยมีทั้งดีและไม่ดีมีทั้งดีและไม่ดีดลดสลับกันไปแต่ถ้าอยากจะได้ผลดีไปตลอดก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อว่ากฎแห่งกรรมนี้เป็นกฎที่ทำให้เราดีหรือชั่วจเจริญหรือเสือ่อม เมื่อเราเชื่อเราจะได้ทำแต่เหตุที่ดีเช่นทำบุญทำทานรักสาศีนฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมละเว้นอบายามุกต่างๆถ้าเราทำแล้วผลดีก็จะเกิดตามมาเพราะพุทธศาสนาไม่ได้เป็นศาสนาที่จะโดนบรันรดาล ให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นแก่สัตว์โลกได้เช่นการกราบพระพุทธเจ้ากราบพระพุทธรูปนี้ก็ไม่ได้มีเป้าหมายอยู่ที่การขอให้พระพุทธรูปได้ดลบันดาลสิ่งต่างๆที่เราต้องการแต่พระพุทธรูปนี้มีไว้เพื่อให้เป็นเครื่องเตือนสติให้เราล้าลึกถึงพระพุทธเจ้า ให้ลำลึกถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเราจะได้ไม่ถูกความหลงหลอกให้เราไปคิดว่าสิ่งศักดิตต์สิทธิ์ต่างๆสามารถดลบันดาลสิ่งต่างๆให้แก่เราได้เพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ส่งสอนว่าเราต้องทำดีพูดดีคิดดี เราถึงจะได้ผลดีพระพุทธเจ้าไม่สามารถโดนบันดาลให้เราเป็นมหาเศรษฐีให้เราเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเป็นพระอาหารหันต์เป็นอะไรต่างๆแต่คำสอนท่านสอนให้เรากระทา ทำทางกายทางวาจาและทางใจของเรานี่แหละที่จะตนบันดาลให้สิ่งต่างๆที่เราปรารถนากันได้ปรากฏขึ้นมาดังนั้นสงสอนให้พวกเรายึดหลักอัตตาหิอัตนโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนไม่ปีใครจะเป็นที่พึ่งของเราได้ไม่มีใครจะเสกจะเป่า ให้เราดีให้เราร่ำรวยให้เราเจริญรุ่งเรืองได้แต่เราเนี่ยแหละจะเป็นผู้เสกผู้เป่าให้เราดีให้เราริ่ำรวยให้เราเจริญก้าวหน้าได้ถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีนี่คือเรื่องของกฎแห่งกรรมที่จะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้มาทรงสั่งสอน ให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราหรือไม่ก็ตามกฎแห่งกรรมนี้ก็ทำงานอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งที่มีการกระทําทางกายทางวาจาและทางใจผลของกฎแห่งกรรมก็จะปรากฏขึ้นมาทันทีผลนี้มีอยู่สองส่วนด้วยกันผลที่เกิดขึ้นทันทีก็คือผลที่เกิดขึ้นภายในใจ เช่นเวลาที่เราคิดดีพูดดีทำดีใจของเราก็จะมีความสุขขึ้นมา ท, าทันทีถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีใจของเราก็จะมีความทุกข์ขึ้นมา ท, าทันทีมีความไม่สบายใจกันทีนี่คือผลที่เกิดขึ้น ท, ทันทีถ้าเราสังเกตดูเราจะเห็นเราจะรู้ทุกครั้งที่เรามีความสุข แสดงว่าเราได้ทำความดีได้คิดดีพูดดีทำดีเช่นตอนนี้เรามีความสุขใจก็เพราะว่าเราได้มาทำความดีกันเราได้ทำบุญให้ทานได้ฟังเทศฟังธรรมได้ทำใจให้สงบอันนี้เป็นเหตุที่ทำให้เรามีความสุขใจกัน ถ้าเราไปทำไม่ดีไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดประเวณีไปโกโหกหลอกลวงเราก็จะรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมารู้จันี่คือผลที่เกิดจากการคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีที่เกิดขึ้นภายในใจแล้วยังมีผลที่เกิดจากภายนอกอีกแต่ผลภายนอกนี้ อาจจะเกิดขึ้นช้าหรือเร็วก็ได้ไม่แน่นอนเช่นเราทำความดีแต่ไม่มีใครรู้ก็ไม่มีใครให้รางวัลไม่มีใครให้ความสรรเสริญยกย่องเชิดชูแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้รับผลเพราะผลที่แท้จริงเกิดขึ้นภายในใจแล้วคือความสุขใจและความเจริญของใจ ผู้ที่คิดดีพูดดีทำดีก็จ ะ, จะเจริญขึ้นไปจากมนุษย์ก็จะไปเป็นเทพจากเทพก็ไปเป็นพรหมจากพรหมก็จะไปเป็นพระอริยเจ้าลำดับต่างๆของเหล่านี้ไม่มีใครมอบให้กับเราได้แต่สิ่งที่คนอื่นให้กับเราได้ก็คือรางวี่รางวัลเช่นอาจจะให้เงินทองจาอาจจะให้ เชิดชูเกียรติด้วยการให้ตำแหน่งต่างๆแต่นี่ไม่ถือว่าเป็นผลหลักของการทำความดีทำความดีนี้เราต้องการผลที่ใจของเราเป็นหลักเราต้องการให้ใจของเรามีความสุดเราต้องการให้ใจของเราเจริญขึ้นไปตามลำดับเพราะว่าใจของเรานี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายนั่นเอง หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจของเรายังไม่ตายใจของเราก็จะเป็นตามสิ่งที่เรากะทำตอนนี้เราเป็นมนุษย์แต่ใจของเราอาจจะเป็นเทพก็ได้อาจจะเป็นพรหมก็ได้อาจจะเป็นพรอจจะพอริยบุคคลก็ได้เพราะว่าการพัฒนาของใจนี้ต่างกับการพัฒนาของร่างกาย เป็นคนละส่วนกันการพัฒนาของร่างกายก็เช่นได้รับรังวีรางวัลได้รับตำแหน่งอย่างนี้เป็นเรื่องของฐานร่างกายที่เมื่อร่างกายตายไปผลที่ได้รับจากการพัฒนาทางร่างกายก็จะหมดไปเช่นรางวีรางวัลเงินทองตำแหน่งต่างๆก็จะหมดสภาพไปแต่ผลที่ได้รับทางใจนี้ไม่ได้หมดไปกับ การสิ้นสุดของร่างกายใจเป็นอะไรใจก็จะเป็นต่อไปใจเป็นเทพก็จะเป็นเทพต่อไปใจเป็นพรหมก็จะเป็นพรหมต่อไปใจเป็นอริยเจ้าก็จะเป็นพระอริยเจ้าต่อไปแล้วเมื่อด่านกลับมามีร่างกายใหม่ใจก็ยังเป็นเทพเป็นพรหมเป็นอริยเจ้าต่อไปอยู่เพราะนี่คือ เรื่องของใจที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับร่างกายเรื่องของใจนี้ขึ้นอยู่กับกรรมคือบุญกรรมที่เราทำไว้ถ้าเราทำกรรมทําบาปใจของเราก็จะเสื่อมลงไปจากมนุษย์ก็จะเสื่อมเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกเวลาร่างกายตายไปใจก็จะต้องเป็นไปตามสถานภาพของใจ ถ้าใจเป็นเดรัจฉานก็จะต้องไปได้รับร่างกายของเดรัจฉานถ้าใจเป็นเปรกก็จะได้ร่างของเปรกใจเป็นอารกก็จะได้ร่างของสารอารมณอันนี้คือเรื่องของใจที่ไม่มีวันตายแต่จะต้องเปลี่ยนไปตามการกระทําของใจในแต่ละภพแต่ละชาติดังนั้นขอให้เราอย่า ประมาทอย่าไปคิดว่ากรรมไม่มีเป็นอันขาดเพราะอาจจะคิดว่าตอนนี้ทำอะไรแล้วไม่เห็นได้ผลอะไรทำบาปก็ไม่เห็นได้ผลอะไรกลับได้ผลดีก็มีทำบาวแล้วกลับได้เจริญก้าวหน้า mm hmm. เช่นทำอะไรที่ผิดกฎหมายแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถจับได้ ก็ได้รับตำแหน่งได้รับเงินทองก็คิดว่าการทำบาสนี้ไม่มีผลตามมานั่นก็เป็นเพราะว่าผลยังไม่เกิดนั่นเองผลที่เกิดแล้วก็คือเกิดขึ้นภายในใจถ้าทำบาปแล้วใจก็จะต้องเสื่อมจากการเป็นมนุษย์ลงไปเป็นมนุษย์จากมนุษย์ก็เป็นเปรตบ้างเป็นเดรัจฉานบ้าง เป็นอสูรกายบ้างเป็นสัตว์นรกบ้างขึ้นอยู่กับเหตุผลของการทบาบาปถ้าทำด้วยความไม่รู้ว่าเป็นบาปก็ใจก็จะเป็นเดรัจฉานถ้าทำเพราะความโลภอยากได้มากๆใจก็จะเป็นเปรตถ้าทำเพราะความกลัวใจก็จะเป็นอสูรกายถ้าทำเพราะความอาฆาตพยาบาทโกรธเกลียดเคียดแค้น ใจก็จะเป็นสัตว์นรกนี่คือเรื่องของใจเวลาที่เรามีความเครียดความทุกมเวลาที่เราคิดอยากจะฆ่าผู้อื่นหรือฆ่าตัวเราตอนนั้นแสดงว่าใจของเรานี้กำลังเป็นสัตว์นรกเวลาใดที่เราอยากจะได้อะไรมากๆ แล้วเราต้องไปทําบาเพื่อให้ได้สิ่งที่เราได้มาเวลานั้นใจของเราก็เป็นเปรยเวลาใดที่เราทําบาเพราะเราต้องรักษาชีวิตของเราเช่นต้องหาอาหารมารับประทานก็ไปยิงนกตกปลาไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อให้ได้อาหารมาเลี้ยงชีพตอนนั้นใจก็เป็นเดรัจฉาน เวลาที่เราทำร้ายผู้อื่นปกเพื่อปกป้องตัวเราก็กลัวว่าผู้อื่นจะมาทำร้ายเราก่อนอย่างใ น, นตอนนั้นเราก็จะเป็นอสุรกายแต่ถ้าเราสามารถรักษาศีลได้ไม่ทำบาปได้เวลาเราต้องหาอาหารเราก็ทำมาหากินด้วยอาชีพที่สุจริตเช่นเราไม่ไป ค่าสัตว์ตัดชีวิตเราทำงานหาเงินทองมาด้วยวิธีที่สุดจะเห็นไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมเราก็จะรักษาความเป็นมนุษย์ของเราได้แล้วเมื่อเราหาเงินทองมาได้มากกว่าที่เราต้องการที่เราจำเป็นจะต้องใช้ถ้าเราแบ่งเงินทองเหล่านี้ ไปให้ไปให้แก่ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเราก็จะเป็นใจก็จะเป็นเทวดาขึ้นมาเป็นเทพขึ้นมาอย่างที่ญาติโยมทั้งหลายมาทำบุญกันนี้เป็นการสร้างเทพสร้างเทวดาให้เกิดขึ้นภายในใจเพราะตอนนี้ญาติโยมทำแต่บุญไม่ได้ทำบาปไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้รักทรัพย์ไม่ได้ประพฤติผิดตัวเอนี่ ไม่ได้พูดปกไม่ได้เสพสรารยาเมาทำแต่ทานก็คือสละทรัพย์สละข้าวของเงินทองมาถวายให้กับพระภิก ษ, ษสุสัมเณรเองอย่างนี้เรียกว่ากำลังทำใจให้เป็นเทวดาจะเป็นนานหรือไม่นานก็อยู่ที่ว่าเราทำมากหรือทำน้อยถ้าทำน้อยก็เป็นเดียวเดียวถ้าทำมากก็จะเป็นมาก ถ้าทำน้อยเช่นวันนี้ตอนเช้าเราเป็นเทวดาตอนบ่ายตอนเย็นเราไปกินเหล้าเมายาแล้วก็ไปประพฤติผิดประเวณีตอนนั้นเราก็จะกลายเป็นเละชานไปใจของเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามการกระทำของเราแต่ถ้าเราทําทําบุญตอนเช้าตอนเย็นเรากลับบ้านนั่งไหว้พระสวดมนต์นั่งทําสมาธิ ทำใจให้สงบตอนนั้นใจของเราก็ขยับขึ้นไปเป็นพรหมจากเทพก็ขยับขึ้นไปเป็นคงแล้วถ้าเราเอาธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้ามาพิจารณาเพื่อมาปรอบตัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจใจของเราก็จะกลายเป็นพาาระอริยเจ้าไป เป็นในขณะที่ยังมีร่างกายเป็นมนุษย์อยู่ดังนั้นตอนนี้บุคคลที่อยู่ในศาลานี้มีสถานภาพทางใจต่างกันบางคนก็เป็นพระอริยเจ้าบางคนก็เป็นพรหมบางคนก็เป็นเทพบางคนก็เป็นมนุษย์บางคนก็เป็นเลระฉานบางคนก็เป็นเปรตบางคนก็เป็นสัตว์นรก เพราะว่าขึ้นอยู่ที่การกระทำของแต่ละคนนั่นเองแต่เราไม่สามารถรู้ได้นอกจากถ้าเรามีญาณอยากทราบเช่นพระพุทธเจ้าถ้าเป็นพระพุทธเจ้านี้ท่านจะสามารถมองเห็นใจของพวกเราทุกๆคนจะรู้ว่าใจของพวกเราตอนนี้เป็นอะไรกันอยู่เป็นมนุษย์หรือเป็นเดรัจฉานเป็นเทพหรือเป็นพรหม แต่พวกเรานี้ไม่มีอยางที่จะอย่างทราบได้เราถึงมีคาพูดว่ารู้หน้าแต่ไม่รู้ใจเรารู้ว่าหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้รู้ว่าร่างกายของเขาเป็นมนุษย์แต่เราไม่รู้ว่าใจของเขาเป็นอะไรถ้าเราอยากจะรู้ลองไปอยู่ตามลำพังกับเขาดูแล้วเขาก็จะแสดงธาตุแท้ของเราให้เห็น เช่นถ้าเราเป็นผู้หญิงไปอยู่ที่เปี่ยวกับผู้ชายเราก็จะรู้ว่าเขาเป็นเทพเป็นมนุษย์หรือเป็นเดรัจฉานกันแน่ถ้าเขาข่มขืนเราเขาทำร้ายเราแสดงว่าเขาไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วเขาเป็นเดรัจฉานไปแล้วแต่ถ้าเขาไม่ได้ทำร้ายเรากลับช่วยเหลือเราถ้ามีใครมาทำร้ายเราแล้วเข้ามาช่วยเหลือเรายอมเจ็บตัว ทนเราอย่างนี้เราก็จะได้รู้ว่าเขาเป็นเทวดา <Yeah. S 1> เขาไม่ได้เป็นเดรัจฉานเขาไม่ได้เป็นสัตว์นรกนี่แหละ <Yeah. S 1> คือใจของมนุษย์เรามีร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจนี้ไม่ไม่เหมือนกันใจบางคนก็เป็นพระอริยเจ้าบางคนก็เป็นโร บ, บางคนก็เป็นเทพ <Yeah. S 1> บางคนก็เป็นเดรัจฉาน บางคนก็เป็นเปรตขึ้นอยู่กับการกระทําของคนนั้นถ้าใครโลภมากๆแก่งแย่งชิงดีมากๆอย่างนี้ลนะ่ะแสดงสั ญ, ญลักษณ์ของความเป็นเปรตออกมาแล้วถ้าเป็นคนที่โหดเหี้ยมทารุณอย่างนี้ก็แสดงสั ญ, ญลักษณ์ของสัตว์นรกออกมานี่คือวิธีที่เราพอที่จะดูใจของคนได้ว่าเป็นอย่างไร อยู่ที่ใจร่างกายนี้เป็นเพียงภาชนะเท่านั้นเองเป็นเหมือนขวดน้ำขวดน้ำนี้อาจจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้แต่เราเอาน้ำยี่ห้ออะไรมาใส่ก็ได้เอาน้ำสุรามาใส่ก็ได้เอาน้ำหวานมาใส่ก็ได้เอาน้ำส้มมาใส่ก็ได้ภาชนะนี้มันไม่ได้เป็นตัวบอกบอกที่แท้จริงว่าน้าที่อยู่ใน อยู่ในขวดนั้นเป็นน้มชนิดใดถ้าอยากจะรู้ก็ต้องลองชิมดูถึงจะรู้ร่างกายก็เป็นเหมือนภาชนะที่รับรองใจของแต่ละดวงนี้แต่ร่างกายนี้ไม่สามารถ บ, บอกได้ว่าใจของผู้ที่ครอบครองร่างกายนี้อยู่เป็นเป็นใจชนิดใดต้องอาศัยเวลาเป็นเครื่องบอก ยังที่มีสุภาษิต ท, ที่พูดไว้ว่าระยะทางเป็นเครื่องพิสูจน์มาเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนถ้าเราอยากจะรู้ว่าคนนี้ดีหรือไม่ดีเราต้องรอเวลาต้องรอดูไปเรื่อยๆแลนะการที่จะดูให้ชัดก็ต้องอยู่กับอยู่กับเขาถึงจะรู้เช่นอยู่อย่างสามีภรรยาอย่างนี้จะรู้ทันทีเลยว่า คนนี้เป็นเทพหรือเป็นเดรัจฉานกันแนะ่เวลารู้จักกันใหม่ๆนี้เราจะไม่สามารถรู้ทาดแท้ของเขาได้เพราะเขาจะปกปิดไว้ด้วยการสร้างภาพขึ้นมาหลอกลวงเราเพื่อให้เราหลงเชื่อเขาเวลาคนพูดอะไรนี้จึงอยากไปเชื่อง่ายๆ เพราะการพูดของเขาไม่ได้แสดงออกถึงน้ำใสใจจริงของเขาต้องรอดูการกระทำของเขากำกับไปด้วยและไม่ใช่ดูการกระทำเพียงครั้งสองครั้งเท่านั้นต้องดูไปเรื่อยและถ้าอยากจะรู้ว่าธาตุแท้เขาเป็นอย่างไรก็ลองขัดใจเขาดูบ้างลองลองทำให้เขาโกรธบ้างดูว่าเขาจะโกรธไหม ดูเขาจะทําร้ายเราหรือไม่นี่คือวิธีพิสูจน์คนเราจะรู้ว่าดีหรือไม่ดีเราต้องใช้เวลาและต้องหาอุบายวิธีทดสอบใจของคนเราถึงจะรู้ชัดวิธีที่ง่ายๆก็คือต้องคอยขัดใจกันต้องคอยด่ากันถึงจะรู้ว่าเขารักเราจริงหรือไม่ ถ้าเขารักเราจริงเวลาขัดใจเขาเขาจะไม่โกรธเราเวลาเราว่าเขาเวลาเราด่าเขานี้เขาจะไม่โกรธเราถ้าเขารักเราจริงแต่ถ้าเขาเรารักเราไม่จริงเวลาเราด่าเขาว่าเขาเวลาขัดใจเขาเขาจะโกรธขึ้นมาทันทีนี่คือเหตุที่ทาไมในบทสมัยโบราณท่านจึงไม่นิยมที่จะแต่งงานกันทันที เวลาก่อนจะแต่งงานกันนี้ท่านให้มาบ้านกันก่อนให้อยู่ให้ทำความรู้จักกันก่อนให้ได้มีเวลาใกล้ชิดกันก่อนได้ทำอะไรร่วมกันก่อนแล้วจะได้ดูว่านิสัยใจคอของแต่ละฝายนี้เป็นอย่างไรถ้าอยู่ด้วยกันได้ทำกิจกรรมร่วมกันได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมกันก็จะเห็น เห็นธาตุแท้ของคนแต่ถ้าเราอยู่ร่วมกันท่ากลางแต่มีแต่ความสุขเราจะไม่เห็นธาตุแท้คน เ, เราจะเห็นธาตุแท้เห็นใจแท้ก็อยู่ตอนที่ว่าเกิดความทุกข์ยากลำบากขึ้นมาดูซิว่าเขายังจะรักษาน้ำใจของเขาที่ดีไว้เหมือนเดิมได้หรือไม่ เช่นเดียวกับเวลาที่มีผู้ที่มาบวชในพระพุทธศาสนาถ้าจะไปบวชในสำนักที่มีความเข่งครัดนี่เขาจะไม่รับบวชทันทีเขาจะให้ไปอยู่เป็นถือศีลแปดถือผักเป็นผ้าขาวไปก่อนแล้วก็ดูนิสัยใจคอกันไปเรื่อยๆดูว่าเป็นอย่างไรดูว่าเชื่อฟังหรือไม่ หรือเป็นคนเกียจเป็นคนดือ้อเป็นคนขยันหรือเป็นคนเกียจค้านเป็นคนที่มีความเคารพในกฎในระเบียบหรือว่าเป็นคนที่ไม่มีความเคารพในกฎในระเบียบถ้ายัางไม่สามารถพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าเป็นคนดีทั้งวัดจะไม่บวชให้วัดนั้นจึงมักจะได้แต่พระดีๆมีพระดีๆบวช เพราะว่าได้ผ่านการทดสอบมาขั้นอย่างแล้วเหมือนกับนักศึกษาที่จะเข้ามาหาวิทยาลัยก็ต้องมีการสอบ Ent r รานซก่อนถ้าไม่มีการสอบก็จะไม่รู้ภูมิปัญญาของนักศึกษาว่ามีความรู้มีภูมิปัญญาพอที่จะร่่มเรียนได้หรือไม่แต่ในทางมหาวิทยาลัยนี้เขาเพียงแต่สอบเพียงแต่ความรู้ เราไม่ได้สอนนิสัยพฤติกรรมแต่ในทางศาสนานี้ถือเป็นเรื่องสำคัญมากความรู้ไม่สำคัญเท่ากับความประพฤติเพราะความประพฤตินี้เป็นตัวที่จะทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาหรือเกิดคุดขึ้นมาถ้ามีความประพฤติดีก็จะเกิดคุณเกิดประโยชน์ถ้ามีความประพฤติไม่ดีก็จะเกิดโทษเกิดความเสียหายได้ ทั้งกับบุคคลที่ประพูดเองและกับวงวงการของที่บุคคลนั้นอยู่ด้วยจะทำให้เกิดการเสียหายต่างๆตามมาดังนั้นในทางพระพุทธศาสนาถ้าจะต้องการบวชเพื่อให้ได้ดีผลดีจริงๆก็ต้องผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มข้นก่อนถ้าอยากจะรู้ก็ลองไป บวชกับวัดป่าดูไปตามวัดป่าไปที่มีพระมีครูบาจารย์ที่มีความเข้มขัดในพุทธธรรมในวินยัยท่านจะไม่รับบวชทันทีท่านจะให้อยู่ไปก่อนเพื่อดูนิสัยใจคอว่าเป็นคนดีหรือไม่ว่าพร้อมที่จะรับคำอบรมสั่งสอนหรือไม่ถ้าไม่พร้อมท่านก็จะไม่บวชให้ นี่คือเรื่องของใจที่ต่างกับร่างกายพวกเราทุกคนมีร่างกายมีอาการ32เหือนกันหมดแต่ใจของพวกเรานี้มีความแตกต่างกันดังนานการที่เราจะรู้ใจของใครบบนี้เราจำเป็นจะต้องใช้เวลาต้องดูเวลาที่เกิดความทุกข์ยากลำบากขึ้นมา ต้องดูเวลาที่เกิดการขัดใจกันขึ้นมาต้องดูเวลาที่ด่ากันขึ้นมาว่าจะมีปฏิกิริยาอย่างไรนั่นแหละจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเป็นมนุษย์อย่างที่เขาเป็นตามร่างกายหรือไม่หรือเป็นอย่างอื่นไปนี่คือเรื่องของกฎแห่งกรรมที่จำแนกใจให้เป็นสิ่งต่างๆให้เป็น เป็นสัตว์ชนิดต่างๆไม่ได้อยู่ที่การขอจากพระพุทธเจ้าแต่อยู่ที่การกระทำของเราเองอยู่ที่การคิดดีพูดดีทาดีหรือคิดดีพูดไม่ดีทำไม่ดีถ้าคิดดีพูดดีทาดีใจก็จะเจริญก้าวหน้าไปตามลำดับจนถึงขั้นพระพุทธเจ้าถ้าใจคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดี ใจก็จะเสื่อมลงไปตามลำดับจนถึงขั้นสัตว์นรกนี่คือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราคือการกระทาของเราดังนั้นขอให้พวกเราถ้าเรามีความปรารถนาที่อยากจะมีแต่ความสุขและความเจริญเราก็ต้องเชื่อกฎแห่งกรรมและพยายามทำแต่ กรรมดีก็คือคิดดีพูดดีทำดีแล้วสิ่งที่เราปรารถนาก็จะเป็นผลที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติวไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรยัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย